ทุกเร่งทุกอย่างก็เป็นที่น่าพอใจทุกสิทธูกข้าของท่านท้องปูเองก็รู้จักท่านทุกทั้งหมดเพราะเคยบุกเบิกธรรมะในป่าและที่อื่นๆมาด้วยกันอย่างจันร์ศรดานี่ยเคยอยู่นู้โนเกาะช้างอ่ะยันี้มันไม่เป็นเกานะแล้วเป็นเมืองไปตั้งแต่ยังเป็นป่าอยู่ เป็นป่าเป็นมียุงไข้ามาเรียเลีย๋ <c oughs> <c oughs> ยวนี้ก็เป็นเมืองเกาะช้างที่มาไกลและก็ทุกส่วน <c oughs> ก็มาปิบัหน้าที่ในการรวบรงทําแทนท่านประาจาย์ผู้ลงรับไปก็เชื่อว่าท่านคงจะ ินดีกับพวกเราและงานชิ้นนี้ลูกติตทั้งหลายก็จะต้องอถือยืนหยัดเอาไว้ให้รุ่งเรืองอเหมือนกับท่านอยู่หรือให้รุ่งเรืองมากขึ้นต่อไปอเพราะทุกคนก็พร้อมแล้วในเรื่องชีวิตในเรื่องการปฏิบัติออตอนนี้ก็มีลูกติตที่สำคัญสาคัญอาจารย์ กษินจึงอยู่ที่แพร่อาจารย์ <c oughs> ดวงศิลป์อยู่ที่มอนแดงอาจารย์โป่งอยู่ที่ทับแสงเทียนนะนี่ก็เป็นหัวเรีวหัวแหลงที่ท่านอาจารย์อะไรอยู่ที่สกุนลครอาจารย์มนัทนะอาจารย์มนัทหมาหย อันนี้ท่านมาอาตอมามามาเป็นลูกจิตของหลวงปู่หลพ่อท่านกำลังเดินออกจากวัดไปตั้งสำนักอาตมามองเห็นแต่หลังลตันตานเดินเข้ามาพอดีก็เลย <c oughs> ไม่ได้รบกะกันมากมายนักเนี่ยก็รู้จักกันดีในฐานะเป็นธรรมิกด้วยกัน <c oughs> ฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยเราได้รับการอบอุ่น อยากท่านมากโดยเฉพาะยังยิ่งอตมา ก, ก็เป็นบุคคลที่มีอายุมีอายุมากและก็มองทางไปที่จะไปทางไหนทุกอย่างทำมาหมดทำมาแล้วตังแต่เป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่อยาก ถึงแม้จะยากจนก็ไม่ให้พ่อแม่ลำบากต่อมาก็มาเป็นจิตวัทย์เรียนหนังสือแล้วก็มาสร้างเนื้อสร้างตัววยการเรียนเป็นครูด้วยตนเองเป็นครูที่ดีมาโดยตลอดเพราะมีการพัฒนาโรงเรียนและพัฒนาการศึกษาให้ดีเด่นขึ้น พัฒนาบ้านเมืองเขาด้วยนะก็ได้รับความพอใจจากการเป็นครูนะจากดูกศิษต์ูกขามากนะและก็มาอยู่ครูภาชบาลรัฐบาลยี่สิบปีก็รู้สึกพอใจในการมีชีวิตสั่งสอนธรรมะและที่ปลื้มใจอย่างมากก็คือได้มาบวช ตอนนี้ยี่สิบห้ารรษายี่สิบห้าบรรษาอายุแปดสิบแปดปีไม่ใช่บอกเบอร์ดอเด้อเดี๋ยวจะไปเอาแปดทั้งปดบวกกันเป็นสิบกอีกและความเป็นมาของแปดสิบแปดปีนี้เป็นแนวทางที่ดีทั้งหมดดูสภาพของจิตใจก็ดีมาโดยตลอดเป็นลูกที่ดีเป็นครูที่ดีเป็นพ่อบ้านที่ดี และกคเป็นพระที่ดีมาโดยตลอดสำหรับสุขภาพก็รู้สึกว่าเป็นบุญอีกแหลนะเรื่องเก็บไข้ได้ป่วยปวดหัวตัวร้อนเอทำไมไม่ค่อยมีเราทำบุญอะไรเอาไว้จนมาหาดิเรกท่านถามผู้เท่าก็ตามก้นท่านตลอดท่านมีโรคหลายอย่าง โลกเกี่ยวกับภูมิแพ้และลูกอันทะหรืออะไรนี่แหละตรงนั้นเนี่ยท่านก็มาถามพ่าเราไม่ป่วยให้ท่านเห็นไม่ทําให้ท่านยากบอกกายบําบัดท่านก็สนใจและก็สอนในท่านบ้างเป็นบางเรื่องบางอย่างท่านยังไม่สนใจและก็อยู่ด้วยกันมาด้วยความรักความถนอมกันเหมือนครูกับศิษย์ท่านน่ยในความอินดู จะไปที่ไหนท่านก็ส่งข่าวไปให้น้องพ่อหงวนไปเก็บอารมณ์ที่นั่นที่นี่ผู้แช่หรือนุ่นโดนทาหลวงปู่ก็อยู่คนละวัดวัดคงรี่นี่แหละในที่สุดก็ได้ไปอยู่กับท่านจนตลอด ท, ทุกขอดพอดีเนที่ผู้แช่ดีจังหวัด อำเภอเมืองอาณาน้ยในครั้งสุดท้ายตรงนั้นก็ไม่ได้มาร่วมกันอีกเลยถนะ้าพูดถึงเรื่องอความเป็นครูบาอาจารย์ผู้หวังดีต่อลูกศิษย์ทุกคนแล้วก็มองมอ ง, มองดูเทียบกันแล้วเ น, ะนะี่ยในญาติธรรมทั้งหลายที่อาจารย์ท่านเนี่ยไม่มีใครเท่าท่านหรอกนะท่านเอาใจใส่จริงจริงตอนที่จะไปนอก อาตมาก็อยู่กับท่านนั่นแหละอาตมาก็อยู่กับท่านคุณโยมสุรางคุณคณิษฐาไปพบอา จ, จารย์อยู่ที่แหลมสิงห์ชอบปกชอบใจได้แล้วได้แล้วพบแล้วพบแล้วอา จ, จารย์ที่ไปอยู่เมืองนอกพบแล้วพบแล้วเรดีใจ เขามาจากมาจากเมืองไทยแล้วก็มาพบอาจารย์พอดีแนวังเทศฟังธรรมรู้จักประอังกฤษเขาก็เลยติดตามติดตามไปอยู่เขาชะเมาอาจารย์ก็ให้ข้อแม่เขาบอกว่าถ้าจะให้ไปอยู่เมืองนอกให้ไปปฏิบัติธรรมด้วยกันตลอดพรรษานี้สามเดือนโยมทั้งสองก็ตกลง แล้วก็มีพระจิมมี่พระจิมมี่และหลวงพ่อวัดเขาชะกันนอันนี้ท่านก็มาด้วยเนี่ยอยู่ด้วยกันที่เขาชะมงแต่ว่าอาตมาเนี่ยกับอาจารย์ชายาเนี่ยไม่รู้มันเกี่ยวข้องกําเวินอะไรกันมาแต่ไหนอยู่ดีๆหลวงพ่อหลวงพ่อไปฟอ้อวัดที่ แพรแแ่ให้อาจารย์ชยามาปฏิบัติแล้วจะให้ไปนอกโอ้ยเราทำ ท, ทางเดินอย่างดีเลยแล้วก็ทำซุ้มอย่างดีเพราะเรายอยู่เป็นเดือนในที่สุดเราก็เดินง่อยๆ อ, ออกมาจากที่พักแต่ก็สั่งเราให้เดินทางมากรุงเทพแล้ก็ไปที่อ่ อะไรที่ออกรถเมืองเหนือถึงนดน่านไปขึ้นนดนานสามทุ่มถึงร้องกวางเดินทางเข้าไปคนเดียวสี่กิโลถึงแพ่แสงเทียนอยู่คนเดียวกับโยมพิคุณ ก, ก็อยู่แห่งหนึ่งนั่นแหละชีวิตที่เห็นแพร่ แ, พแสงเทียนที่ทละ ไ็อยู่ด้วยความสบายเพราะทำหน้าที่ที่อาจารย์มอบหมายอาจารย์ยายาก็เดินทางไปที่เขาเฉาการปฏิบัติอย่างนี้ท่านไม่ให้ลูกจิตลูก้าของท่านลำบากเลยเรื่องการอยู่การกินการไปการมาท่านจะมีลถของตัวท่านเองและก็มีรถของญาติโยม ที่เดิมใส่ศรัทธาได้ไปส่งถึงที่ถึงทางแล้วก็รับส่งไปตรงนั้นตรงนี้เรื่องอาหารการกินก็เรียกว่าคุมสมบูรณ์ทั้งตอนเช้าและตอนเพงแต่การปฏิบัติท่านเข้มงวดกวดขันมากท่านอยู่ห่างห่างลูกศิษย์ห่งห่างลูกศิษย์คนอยู่ตรงไหนอย่างไรไม่ให้อยู่ด้วยกันนี่แล้วก็ท่านก็ไปจ้องมอง ลูกจิตของท่านทุกคนอยู่ตรงไหนตรงไหนกันตอนนี้กาลังทำอะไรอยู่อย่างไรนิสัยอันนี้ของท่านเท่าที่สังเกตท่านดำได้สม่าเสมอและตลอดมาจนพวกเราทุกคนได้มีความเข้าอกเข้าใจธรรมะและก็เริ่มใส่ในธรรมะและก็เป็น พระเป็นตุสิษย์ที่ดีของท่านมาโดยตลอดนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตมาเองก็เป็นลุงพ่อที่อายุมากเป็นครูมาก่อนแต่เป็นครูที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ถือศีลห้านะและก็ทุกอย่างอย่างเคร่งครัดนะและก็เป็นได้รับ ตำแหน่งหน้าที่ที่ใหญ่ๆมาโดยตลอดและก็ทำงานสำเร็จมานี่แหละพอเสร็จจากราชการแล้วเนี่ยไม่ใช่คิดประเดียวประดาวคิดมาตั้งแต่นานแล้วเป็นขั้นตอนของชีวิตเราจะเปียนราชการแล้วเราจะไปไหนเนี่ยเราก็ไปทำละจิตของตอนไปบวช เพราะนิสัยอันนี้เราอยู่วัดมาโดยตลอดแม้จะเป็นสิทธ์วัดกินข้าวัดและออกมาเป็นครูก็ข้าวัดเพราะพัฒนาวัดต่างๆอันสุดท้ายก็พาเขามาสร้างโบสถ์บ้านหนองบัวใหญ่เหมือนเนระบิดสามปีเสร็จเลยโดยบา ร, รมีของพระเทศมาช่วยอันนี้ก็เป็นบุญบา ร, รมีที่เราได้พาญาติโยมพัฒนา ศาสน า, าเราให้มีสิ่งต่างๆทีนี้ก็มันเป็นสิ่งที่ต้องอยู่ในใจิตใจเราเอาชีวิตเข้าเดิมพันเป็นเดิมพันอย่าโยนทั้งหลายอย่าทำหล่อหล่อลหละลมันช่วยได้จริงๆหมดได้จริงๆสิ่งที่มันผัวพันจิตใจเราอยู่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องทรัพย์สินสมบัติเรื่อง ทิฏฐิมานะที่คิดผิดทั้งหมดความรู้ต่างๆที่เรียนมาจากวิทยาลัยจนได้เป็นปริญญาตรีโทเอกเนี่ยเหล่า น, นั้นวางไว้ซะก่อนวางไว้ซะอย่าเอาเข้ามาวุ่นวายกับสิ่งเหล่เพราะมันคนละสายกันคนละแนวกันอันนั้นมันแนวทางโลกเราเรียนไปเพื่อประกอบชีวิต เพื่อให้รู้เอาไว้เพื่อให้นำเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามโลกของเขาอันนี้มันเป็นทางที่เรากลับเข้ามาหาดูตัวเองว่ามันศาสนาพุทธสอนอะไรสอนอะไรไม่ใช่สอนแต่ว่าสิ้นห้าสิ้นแปดอะไรทำนองนั้นหมดปีหมดชาติเท่า น, นั้นแหละ มันก็ดีอยู่มันเป็นระดับจินธรรมระดับควบคุมความะพฤติดของคนให้อยู่ในจินในธรรมแต่มันไม่ลึกมันไม่ลึกมไม่ทะลุเข้าไปถึงตัวกิเลสซึ่งมันครอบงำจิตใจของเราอยู่ให้ทะลุทลายหายไปตรงนี้แหละเราจึงมีการมาปฏิบัติธรรมกิจ พระพุทธเจ้าท่านก็รู้สึกามาเปรียบเทียบดูธรรมะที่เราตรสรู้ได้นี่มันทำไมจึงลึกนักยากนักเราจะเอาไปสอนเขายังไงเขาจะรู้หรือแต่เราดนกว่าจะรู้ก็ต้องแหมเราก็ตาำลำบากมาตั้งหกปีเ ทำยังไงถงจะไปเอาธรรมะเหล่านี้ไปสอนเขาได้เขาจริงจะรู้อย่างเราและออกจากทุกข์ได้อย่างเราท่านพิจารณาด้วยปัญญาอันเฉียบแหลมของท่านก็มองเห็นทางมองเห็นทางอะไรทางที่จะสอนวราคนมันไม่เหมือนกันเกิดมาสว่างอย่างท่านพระอาจารย์เกิดมาสว่าง ไปสว่างเห็นไหมเกิดมาสว่างไปสว่างอตอนที่ท่านอตกลงไปในบอ่อนท่านมีสติของท่านเอยูนะแต่ว่ากรรมเมนมันมีมันก็เลยต้องถูกฟ้าโอ่งทุกอะไรไปสว่างมาสว่างอยู่สว่างอย่างนี้เดี๋ยวว่าไปดีมาดีนะไปดีมาดีนะ พวกนี้รู้ทำได้ง่ายเหมือนกับดอกบัวที่อยู่บนต้นพ้นน้ำที่นี้อีกพวกหนึ่งต้องมาอธิบายเนี่ยอยู่กลางน้าอย่างพวกเรานี่แหละต้องมาอธิบายต้องมาไตรตรองจะยมปฏิบัติแล้วสติผามรู้จึกตัวเนี่ยตัวเนี่ยเป็นตัวนำเราจะรู้พรัเลยไม่ได้เราจะต้องมาใช้เวลา ใส่ตรองดูให้ลอกขอบทุกวันทุกวันอย่างต่อเ น, นื่องมันอยู่ที่ตัวเราเนี่ยเราไม่ได้ไปหาที่ไหนต่อมาสักวันหนึ่งมันก็จะเข้าใจได้ว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยตัวเรานี่อะไรเป็นอะไรวันนั้นเราจะดีรู้ดีที่สุดเลยหลวงปู่เทียนท่านก็บอกเอาไว้เป็นเริ่มงได้ว่าสายของพวกเราเนี่ยจะต้องรู้ตัวไหนก่อนก็ ค, คือรู้รูปรู้นามเนี่ยรู้รูปรู้นามเด้อสายปฏิบัติรูปนาม อันนี้แหละเราต้องเน้นไปตไ declare, รงนี้เราจะแยกติดของเราหรือชีวิตของเราออกเป็นสองอย่างได้อย่างชัดเจนและอย่างที่สองอย่างนี้มันก็จะสอนให้เรารู้จักตัวมันด้วยฉันเป็นอย่างนี้นะฉันเป็นธรรมชาติอันนี้ฉันเป็นอย่างนี้ใจก็สอนเราที่เป็นสอนเราฉะนั้นสองตัวเนี่ยให้ติดตามเขาและเขาจะสอนให้เรารู้จัก แล้วเขาก็ยังไงไม่ใช่เราสักอย่างเราโง่ต่างหากที่ไปตามเขากายเขาบอกฉันไม่ใช่ของเธอจะมายึดฉันทำไมฉันเป็นไปนเรื่องของฉันฉันเป็นของไม่เที่ยงเห็นของไม่เทีย ง, ไ ม, ยงไม่ใช่ของเธอมันจัดสักวันหนึ่งจิตก็เหมือนกันมันก็จะสอนเรามันสอนเราเมื่อเรา มีสติปัญญาที่จะรับได้จิตมันก็จะพุ่งออกมาให้เห็นโอ้ในที่สุดเราก็จะละวางรูปนามทั้งสองนี้เป็นธรรมชาติตัวเราอยู่ที่ไหนไม่ต้องเสียดายไม่ต้องเสียดายแต่ไม่ต้องเสียดายอยู่เป็นเปลืองข้าวทำไมนะมันไม่ตายมันก็อยู่อย่างนั้นแหละฝ า, ากเขาไว้แบบไม่มีความหมายอะไรเพราะ มันเป็นธรรมชาติเราอาศัยธรรมชาติอยู่กายกับใจปัญญาของเรามันจะทะลุไปในทางที่เรียกว่าไม่ยึดถือและปล่อยวางนี่คือปัญญาจากการปฏิบัติทําไมจึงฉลาดอย่างนั้นก็เพราะเราอยู่กับตัวรู้เด็กเราอยู่กับตัวรู้คุ้ครีกับตัวรู้อยู่กับตัวปัญญาแต่ก่อนเราคุ้ครีอยู่กับไอ้ตัวไม่รู้ เนี่ยไปไหนมาไหนทําอะไรกับตัวไม่รู้เห็นไหมก็คือคือตัวหลงตัวหลงทั้งหลายหลงมามากแล้วหลงเอาทุกมาใส่ตัวเองหลงเอาหนี้มาใส่ตัวเองหลงด่าหลงหว่าหลงอะไรต่างๆจนทุกเอาไม้แทบไม่ไหวเนี่ยเพราะตัวหลงทั้งนั้นแหละหลงเนีตัวหลงทั้งนั้นแหละนะถ้าเรารู้จริงเนี่ยนะแต่เรารู้จริงอย่างที่พุทธเจ้าตรัสสอนเนี่ย เราก็จะมองไปในทางที่เรียกว่าปล่อยวางทุกข์กดีทุกข์ ก, กดีมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเนี่ยลูกหลานที่เคยพัวพันลุกลงลังห้อยแข้งห้อยขาห้อยคอลูกคนนั้นหลานคนนี้กูเป็นปู่มึงกูเป็นย่ามึงอนุนอันนี้เห็นไหม้วก็คิดถึงเขาอนุนอันนี้ ปัญญาอันนี้เกิดขึ้นกับหลวงปู่ที่แพร่แสงเทียนนี่แหละมาอยู่กับท่านวันหนึ่งมันทะลุออกมาโอ้โหวางลูกหลานได้เกลี้ยงเลยอมันว่ายังไงรู้ไหมอธิบายังไงเออบอกว่ลูกของเขาเนี่ยเขาจะเลี้ยงเองเขารับผิดชอบเองดูเลยลูกไก่ที่มันยังเลี้ยงเองทํามันเองทุกอย่าง ไอเราเป็นไปหาไปเรื่องเอาลูกของเขามาเป็นทุกเป็นร้อนอย่างนุ่นอย่างนี้มันสอนไปเออจริงเลยจริงจริงจริงในที่สุดเราก็เลยยกลูกของเขาเนี่ยที่เราห่วงให่ทั้งผู้หญิงผู้ชายให้พ่อแม่เขาไปอย่างสบายเลยเพราะยกลูกหลานให้พ่อแม่เขาติดมันก็ยกให้เสร็จแล้วไอความเป็นปู่เป็นย่าของเขาที่เราเป็นมันก็บอกไม่ต้องไปเป็น มันเขามีพ่อมีแม่แล้วเรามาเอาสติความรู้สึกตัวตัวเรานี่ดีกว่าเนี่ยมันจะเข้ามาทางนี้ในที่สุดเราก็วางลูกวางหลานเออปัญญามันเป็นอย่างนั้นเบานะเบามากแล้วม อ, มองไปถึงเมียทีหีอ่อ้าวอะไรเราก็ให้เขาหมดแล้วเงินเดือนก็ให้เขาบ้านก็ให้เขาทุกอย่างก็ให้เขา เขาจะอดอยากอะไรเขาสบายกว่าเราอีกเร้ไมาอยู่ในปา่านี่มันว่าอย่างนี้มันคิดว่าอย่างนี้ในที่สุดโอ้เขาจะตายเขาจะเป็นเขาจะป่วยอะไรก็สุดแล้วแต่เขาเขาจะคิดถึงเราก็เรื่องของเขาเนี่ยไม่ใช่ของเราในที่สุดเราก็เลยมีปัญญาตัวนี้สมาดปล่อยวางลูกปล่อยวางหลานทุกอย่างจากแปรแสงเทียนนี่แหละ จังหนะวัดแพร่เรานี่หนละกลับไปบ้านโอ้ไปเห็นลูกเห็นหลานบนอื่นมดดุดเลยนะเห็นเมียนั่งอยู่เห็นหลานมาลุมเชอะเดินกลับวัดยิ้มแป็นหมดแล้วกรรมเวร <c oughs> หมดแล้วกรรมเวรเนี่ยสมที่เราในปฏิบัติมาปัญญาตัวนี้มันเกิดให้ปล่อยวางแม้แต่ทรัพย์สินทั้งหลาย ก็ปล่อยวางเนี่ยลูกเคยบอกว่าผมจะลื้อบ้านทําห้องแถวให้คนเช่าประตูหน้าต่างอ่ผมเอามากองไว้บ้านผมมดเออดีแล้วแหละเอามาให้วัดนะหลวงปู่ก็เลยให้เขาขนมาให้วัดเดี๋ยวนี้ไปดูวัดค อ, องรี่สองสองหลังก็มีแต่ประตูหน้าต่างของหลวงปู่ที่เขาลือ้อ ขเขามาอ่าทอําอวัดเนี่ยเห็นไหมเพราะก็มีประโยชน์เอาไปจิ้งไว้ทำไมเขายุบเป็นห้องแถวแล้วเขาไม่มีประตูหน้าต่างเราก็เอาประตูหน้าต่างม า, าใช้เป็นห้องสมุดเป็นอห้องพักของโยมก็มีประโยชน์เนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเราทําไปได้วยความถูกต้องอทําทถูกต้องแล้วทําไปได้วยความมั่นใจอของเรา เร่การปฏิบัติธรรมเนี่ยมันค่อยๆแอยแค่อยเกาเหมือนเรากินยาเนี่ยเหมือนเรากินยาใ ห, ให้กินเป็นประจำให้กินอย่างต่อเนื่องสำหรับยาพุทธเจ้าเนี่ยอย่าให้มันยานี่มันหายได้จำคําสอนของพุทธเจ้าได้ไหมว่าปัจฉิมโอวาท พิเจทั้งหลายสังขารเป็นของไม่เทีย่ยงย่อมผุพังเป็นธรรมดา น, นี่ข้อหนึ่งให้เราเห็นว่าสังขารมปนของไม่เทีย่ยงที่ร่างกายเรานี่เองอันที่สองบอกว่าพเธอทั้งหลายต้องอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิดเดีวกะเปิดพระโอษฐ์แล้วก็ปฏินิพพาน นี่เป็นปัิบิมโอะสวดทุกวันไม่ใช่สวดเพื่อให้มันจำได้สวดแล้วไปนำไปพิจารณาว่าทำไมท่านสั่งแค่นี้นะให้มีสติอยู่ตลอดเวลาไม่ให้สติขาดได้จนถึงวันตายก็จะต้องมีสติพาใตา้นี่คุยความหมายของมัน แล้วมาเปรียบเทียบดูอย่างที่อาจารย์ท่านเคยเปรียบเทียบไปฟังว่าเวลากลางคืนนะเราไปไหนมาไหนเนี่ยเราจะต้องมีแสงสว่างมีสิ่งที่ให้แสงสว่างส่งทางให้เราเดินเมื่อเรามีแสงสว่างส่งทางให้เดินแล้วเราก็จะไปถูกทางถูกที่ หรือถูกที่ต่างๆที่เราทำนี่ต้องมีแสงสว่างเป็นเครื่องช่วยให้ชีวิตของเราได้ทําถูกต้องหรือออกจากทุกข์ได้หรือไปสู่สุคติเม้่แต่เวลาจะตายก็จะต้องมีสติ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นแสงสว่างก็พอเปรียบเทียบได้ครับสติของเราที่แสงสว่างได้ช่วย ให้รถมันวิ่งได้ในเวลากลางคืนให้คนทํางานได้ในเวลากลางคืนหรืออะไรต่ออะไรต้องมีแสงสว่างแล้วก็สามารถทําได้แม้จะไปในถ้าก็มองเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ในถ้าได้ว่าเป็นอย่างไรนี่เพราะนั้นแสงสว่างตัวนี้ก็คือสตินั่นเองที่เรามีอยู่แม้เวลาเราจะตายสติของเราก็ยังมีอยู่จะได้ทําลายวัวมืด ความมืดคือความโง่ความหลงทั้งหลายที่จิตใจของเราในครอบงมจิตใจเราอยู่ถ้าเรามีสติความโง่ความหลงก็หายไปความไปสู่สุขติของเราก็จะไปได้อย่างสะดวกสบายเหมือนกนเราวิ่งรถกลางคืนมีไฟแจงสว่างนี่แหละแม้จะอยู่ยังไม่ตายเรียนหนังสือหรือทำงานทางานเราก็ต้องใช้แสงสว่างอันนี้แหละสาหรับที่จะ มีชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัยได้ถูกต้อง เ, อเพราะเราทําอะไรมันมีแต่ตัวรู้ตัวรู้ไอ้ตัวหลงที่เคยทำมามาอยู่แต่ก่อนให้เราโกรธให้เราโลภให้เราหลงให้เราโง่ไปไหนหมดละ่ะมันก็แพร่ไปเหมือนกับแสงความมืดแพร่แสงสว่างนั่นแหละเมื่อตัวรู้เข้าไปในจิตใจเราเนี่ยไอต้ตัวหลงตัวโง่อะไรทั้งหลายมันก็หนีไปเหมือนกับเอ แสงสว่างเหมือนกับตัวมืดหนีแสงสว่างนั่นแหละเนี่ยพระเจ้าตรึงตึงให้เราได้มีสติความรู้สึกตัวเนี่ยไว้ตลอดจนในพวกนั้นมันไปจนสิ้นสะจับตัวไม่ติดแล้วจะ ก, กลับมาอีกก็ไม่ไหวแล้วเขาเต็มไปหมดแต่ก่อนเคยเป็นใหญ่เป็นโตคราวนี้มีสติความรู้สึกตัวเป็นเจ้าจิตเจ้าใจของเราแล้วนี่ความไปสู่สุขติก็จะเกิดขึ้น ที่คือผลจากการที่เราปฏิบัติและการปฏิบัติของเราไม่ใช่ทำเล่นๆ เ, เอาชีวิตเข้าแลกเอาชีวิตเข้าแลกแม้จะทุกอยากแค่ไหนก็ไม่กลัวฟังอาจารย์ลาเล็กว่าอาจารย์ครับผมตายตรงไหนเผาตรงนั้นหรือฝันก็ไรครับอู้อุเท่าเลย เอาจริงไว้คนเถ่าเห็นไหมอาจารบอกคนเถ่าเอาจริงผมอย่างนั้นแหะผมแก่แล้วเพราะมีแต่คนหนุ่มๆมีแต่ค น, นหนุ่มๆอาจารย์ดวงจินนี่กับหนุ่มๆเอเห็นไหมให้กับอยู่อะไกันมาไปไหนมาไหนเแต่ถ้าท่านพอถึงด้านเต้นตะ เ, เนียนอาจารย์ดวงจินด้านเต้นตะเนีนในตุตยกรีเก่งทั้งเนียนแล้วก็เนียนอัปาทำลุงเรืองฮมาเต่าทุกวันเนี้ อันนี้เป็นสิ่งที่เราทํามาของท่านโดยตลอดไปที่ไหนถ้ามิการลงถิ่นต้องมีเนนบัดดับบา ร, รมีตลอดเต็มรถเต็มเรือ <c oughs> ขาดไม่ได้คนคนนี้เดินคนเดียวไม่ไม่งามเลย <c oughs> ไม่งามถ้าเดินกับเนรเงามเ <c oughs> พราะบารมีท่านเป็นอย่างนั้นก็เคยมาอยู่บ้านปากปานนะ <c oughs> มามาอบรมเนนอยู่บ้านปากปานเนี่ยเราโยมบ้านปากปานเคยเห็นท่านไหมท่านก็มาอยู่ที่นี่แหละมาอบรมเนน ตามประชารมหมายอันนี้แหละชีวิตของเราเนี่ยนต้องปลูกอะไรพูดถึงเรื่องจริงที่ว่ามันจะได้จากการนับถือศาสนาพุทธตรงที่เรามีธรรมะปฏิบัติธรรมะปฏิบัตินี้ก็มีจุดที่จะต่อสู้กันเขามีมัดเด็ดเราก็ต้องมีมัดเด็ดเขามีตัวโง่ ตัวหลงเป็นพื้นฐานให้เราต้องโกรธโก ร, ด, ด, กกรดนะี่ก็หลงโกรธนะไม่ใช่ตั้งใจโกรธหรอกถึงจะด่าใครว่าใครก็ตามมันเป็นโกรธหลงหลงโกรธที่รุนแรงสามารถด่าพ่อดา่าแม่ดา่าเมียดา่าใครใครต่อใครได้หรือตีใครก็ได้นี่มันไม่เฉดของจริงมันหลงหลงไปตามมารุมโกรธที่มันรุนแรงเนี่ยเห็นไหมโลภก็เหมือนกันโลภไปเจอะจน ไอ้นูนไอ้นี่ได้มาแล้วก็ไม่พอแต่ทุกวันเนี่ยปกติเขาขับรถเก่งเนี่ยร้อยละห้าสิบหกสิบมินิทั้งนั้นแหละทุกไปกับการขับรถเนีย่ยล้านคนลงุงปู่กฮีกันทุกคนมีสุขไหโลกูกสบายไหโลกูกสบายครับปู่สบายครับปู่เห็นไหมเงินเดือนที่เขาได้มาอะไรออกมาเขาก็ล้อมไปห า, าตั้งแต่อ รถกิ่งของเขาของผมใช้เอน้ำมันเบนซินน้ำมันโซล่าโอ้อาเอาไปไปเห็นไหมเขาจะมีความสุขหรือทุกข์แค่ไหนนะเพรเป็นตามสมัยของเขาเราก็ห้ามเขาไม่ได้เขารับผิดชอบมันเขาเองแต่ว่าเงินที่เอาไปจากเราสองพันเขาก็ให้พันเดียวอาไปหมื่นหนึ่งไปสองหมืนก็ให้หมื่นเดียวเอาไอ้สองหมืนยืมก่อน เออเอาเถะคับสาธุเห็นไหมมันก็ไปพัวพันไปอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าตัวกิเลสเนี่ยมันหลอกให้เราหลงแล้วก็ทําให้เราทุกข์แล้วมันก็ไม่เหมาะสมกับการรัสมัยด้วยไปไหนมาไหนเนี่ยทําการทํางานไปโรงเรียนเนี่ยจะเดินไปก็ไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปก็โอ้เสียล้าสมัยมอซิ่งจักรยานก็ล้าสมัยยิ่งเดินก็อุ้ยไปใหญ่เลยก็เลยครับ ยังไงหน้าด ำ, ำําเครียดก็คีแต่รถเก่งไปเขาอย่าน้อยก็แอบเข้าไปก็ยังดีเนีย่ยยิ่งเละเนี่ยแม้มันมีเล่ห์เหลี่ยมที่จะทําให้เราต้องเป็นพาสของมันอย่างที่เราจํายอมเลยนะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีสติกลมรู้สึกตัวเนี่ยซึ่งพระพุทธเจ้าท่านก็กล่าวไว้มีทางเดียวที่จะพ้นทุกพิจุตทั้งหลาย เดินในรู้ตัวเนี่ยยังโยมเดินหัดเดินตัวรู้เนี่ยที่เราทำเนี่ยมันจะเป็นที่พึ่งของเราได้เราเดินความรู้สึกตัวมันจะติดเหมือนเราถูกบุหรีนั่นแหละอยู่กับบุหรีมันติดบุหรีอยากจะสู่บุหรีนี่เวลาเราเดินบ่อยๆนัน่เข้านั้นเข้าโอ้ยอยากเดินอยากเดินอยากยกมือเนี่ยมันก็มีรสชาติที่จะทำให้เกิดความ เคยชินคิดไปไหนมาไหนกระดิกมือกระดิกเท้าเรารู้สึกตัวทั้งหมดเพราะเราสร้างความเคยชินใหม่นิสัยใหม่ให้เกิดขึ้นแก่ตนแต่เป็นที่พึ่งของตนได้เนี่ยตรงเนี้ยอันอื่นเรายังทำได้ถอดถอนออกให้หมดอันเก่าที่ที่เรามีสารวจดูมาเดินทางใหม่ทางสีดำอย่าเดินผ้าดำที่เขาติดไว้ที่หน้าานักงานเขา แล้ก็ผ้าขาวที่แอบไวกกันไว้นะ่ะเดินเส้นขาวนี้เดินเส้นขาวคือเดินอย่างเดินจงกรมนี่แหละนี่คือเป็นการฝึกวันการฝึกก็ต้องมีขอ บ, บมีเขตมีวิธีฝึกให้เดินประมาณยี่สิบห้าเก้ายี่สิบเก้าเดินไปเดินมาเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเดินทำไมเดินให้มันฝึกให้มันเกิดความเคยชินนานเขานานเข้ า, นาน เราออกจากที่เดินมันก็จะเหมือนเดิมที่ไปไหนมาไหน อ, อ ไ, ปนนไปบ้านคนนั้นไปบ้านคนนี้หรือไปห้องน้ำห้องท่วมหรื อ, อ, อก้าวดินออกตีนอยู่ตรงไหนมันก็ไปด้วยเนี่ยอย่างไปบินตาบาดอย่างนี้มันก็ไปตลอดมันไม่ไปก่อนมันไม่ไปหลังมันก้าอวอไปพร้อมกันเป็นปัจจุบันนธรรมโยมลองคิดดูจะของที่เห็นไหม ตรงพุทธของทำได้หรื อ, อยังตรงนี้ถ้าทำได้และการเดินไปไหนมาไหนก็ตามทำยากก็ตามทำง่ายก็ตามมันจะไปได้หมดและจะไม่มีการท้อถอยจะเดินอย่างสบายยากก็เดินอย่างสบายง่ายก็เดินอย่างสบายเพราะใจกับกายมันไปพร้อมกันมันรู้อะไรเป็นอะไรมันแก้ไขของมันเองมันเป็นปัจจุบันนรรมนหลวงปู่ไม่ชอบบินตบาดใกล้ อยู่แพร่แต่งเทียนตั้งแพร่ับอาจารย์นี่บ้านยางเปรี้ยวยางโพเลยไม่สามกิโลจานคมเกตท่านไปเตาปูนปูเข้ามาทางนี้เดินตั้งแต่ตีสามอามาเจาตอตีห้ามืดตึ๊บก็จะเข้าบ้า น, นสุดรองเท้าแต่สุหมวกเอาไว้แต่ก็เดินเข้าบ้านเขากำลังจะออกไปไหนก็นไปดูคนเมืองเหนือเนี่เขาเห็นแล้วองนิมล หาสีอของมาใส่ให้เต็มแล้วก็เดินกลับเนเราก็ไปถึงวัดก็ประมาณหกโมงโยมพิกุลก็ร้องใจน้องพ่อว่าต้องไปรักเท่าแล้วอาจารย์ทบอกว่ า, วาอย่าไปห้ามพระอย่าไปห้ามพระเห็นไมมันสนุกดีนะโยมสนุกดีแท้บินตบานเนี่ยนะไม่ได้ก็มีมันไม่ได้ก็มีก็เดินเล่นๆไปกัน แล้วก็ดูตัวเองเราวันไหนที่บินสมบัดไม่ได้ดูตัวเองเนี่ยเหมือนได้ก็ไม่ได้ก็จิตใจเหมือนเดิมได้ก็เหมือนเดิมไม่ได้ก็เหมือนเดิมไม่ได้วันไหนได้โอ้จิตใจอยากได้แต่ของมนอย่างนี้ดีอกดีใจไม่มีเสมอกันหมดเราก็ตรวจปฏิบัติทำไปในตัวเนี่ยสิ่งเหล่านี้ทุกสิ่งทุกอย่างเราเพ่งไปที่จิตของเราซึ่งมันเคยพุ่งเพราะฉะนั้นเคยพุ่งไปทางนี้ โดยที่มีเหยื่อมาล่อมันให้มันได้อยากได้ไม่อยากเนี่ยพยายามที่จะให้มันอยู่ทุกอย่างอยู่ตรงๆอะไรมากระทบ ก, ก็ตามร้อนก็ตามเย็นก็ตามพอใจก็ตามไม่พอใจก็ตามถ้าเราทำจิตของเราได้อยู่อย่างนี้แล้วกเออถึงไหนถึงกันถึงไหนถึงกันความจุหรือความสบายที่เร า, อ, าอยากจะได้มันก็มาเองมาเป็นอารมณ์มาเป็นชีวิตของเราเองสบา ฝนตกเขาทุกร้อนเขาทุกหนาวเขาทุกอ่าเราก็หนักเฉยคือบาห้อนมาหนาวคือบาทุกแทเนี่เขาจะว่าเราแบบนี้เฮ้เราก็เหมือนเขาแล้วเนร้อนก็นร้อนหนาวก็หนาวเหมืนอนเขาแต่ว่าเราไม่เอาเข้ามาน่ะมันเรื่องของมันอย่าไปถือว่ามาเป็นตัวเป็นตนเราร้อนเราหนาวเราร้อนเราหนาวเ่ยมันมีปัญญาที่จะออก เพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้แหละเราก็จะต้องทำให้ได้ก่อนที่จะตายอย่างน้อยสักหกสิบเปอร์เซ็นหรือใครจะตะลุไปเก้าสิบร้อยก็สาธุไม่มีทุกเลยแล้วก็ไม่ต้องมาเกิดเลยเป็นพระาราหันแล้วแล้วก็ตายไปทุกนิพพานไม่ใช่ไปสวรรค์นะไปนิพพาน พรจิตดวงนี้เป็นจิตที่เปิกดีแล้วอะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปเห็นไหมที่พุทธเจ้าท่านอุทานออกมาดา่าไอ้ตัวที่พามาเกิดตัวอ้ายทิชาบอกว่าฉันจิตของฉันจริงแล้วซึ่งสภาพที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปเนี่ยสังขารทั้งหลายจะมาปรุงแต่งไม่ได้อีกไปฉันทริงแนวทึงไป ไปแห่งสังขารตัวนี้แหละสังขารคืออะไรดาตโยมบางคนก็อาจาจะสงสัยว่าอะไรกับสังขารสังขารสังขาร น, นี่คือของกรุงแต่งสมตําของโยมกับสังขาร น, นั่นแหละเนี่ยเขนิ้ยก็ไก่ปิ้งกัสังขาร น, นั่นแหละสังขารทางรูปเนี่ยตลาอาจารย์นี่ก็สังขาร ตัวเราก็เป็นสังขารสังขารทางรูปมันมีหลายๆาอย่างมารวมกันเห็นไหมสมบัติของมันคือของไม่เทีย่ยงไม่ใช่ตัวตว น, นของเรานี่สังขารทางกายเนี่ยมองดูแจตติที่ปึกมาพิจารณาดู ส, สังขารทางทางวาจานี่ยิ่งมากเลยพอหกต่อแล น่นอันนี้เป็นเรื่องเป็นราวแต่งเรื่องหนังสือขายอะไรมากมายพูดกันวันหนึ่งวันหนึ่งไม่รู้กี่เรื่องมีแต่สังขานนะนะบางทีจะ น, นอนไม่หลับนอนไม่หลับจิตมันสังขานเห็นไหมจนเจ้าของเป็นโรคประสาท <c oughs> เห็นไหมนี่จิตไปเกิดตังขานจิตแต่ตังขานก็เพืเ่อจะทั้งจะ ต, ตรัสไว้ว่าจิตของเราเนี่ย มันมีสิ่งที่มันจะต้องทำต้องคิดเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยท่านนับได้สี่หมื่นสองพันเรื่องดูรุกเจ็ดของเราเนสี่หมื0นสองพันเรื่องมันจะไม่มากจะว่าไงกายก็แค่สองสองหมื่นกายิยตอา่าวาจาก็แค่สองหมืนกว่ารวมแล้วแปดหมืนสี่พันมาทำมขันเนี่ยที่เรารู้กันอยู่เนี่ยรวมแล้ว จิตของเรามันเยอะยิ่งสมัยทุกวันนี้ยิ่งเยอะเห็นไหมเราจะระงับมันได้อย่างไรมันก็ตัวนี้แหละตัวที่กําลังยกมือที่กําลังทํา อ, อยู่นี่แหละอย่าให้จิตเข้าไปอยู่กับความคิดของโลกโลกเลมันมีแต่ตัวอย่างเราอดจิตของเราออกมาได้มีพลัง ตติของเรามีอำนาจที่จะดึงจิตของเราออกมาให้อยู่แบบสงบเสงบได้ยินทางหูเห็นทางตาทางจมูกทางลิ้เฉยบ้าือบมเมนคนแท้อ่ามันเป็นอย่างนั้นตกคนก็หัวเราะนี่ตายกากากานั่นนี้เรานั่งเฉยเห็นอะไรไปเขาก็แส่จุ๊บจุๆจ อยากกินอีกแล้วก็เฉยมันไม่ใช่คนนะเขา เ, เห็นไห้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ตําหรับผู้ที่มีธรรมะอยู่ตรงไหนมันสงบหมดเพราะมันสามารถเอาจิตออกจากสิ่งเหล่านั้นได้มาเป็นสมาธิหรือจิตไม่ไปวุ่นวายกับสิ่งเหล่านั้นมันรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยมันฉลาดขึ้นไปอย่างนั้นปัญจคิเ้ลเข็นยากโยมเนี่ยให้ปฏิบัติตอนนี้ชีวิตของเราก็ บนปลายแล้วตายไปแล้วทำไม่ได้และต้นๆไปไหนก็มีครอบมีครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไปตามหน้าที่คราวนี้ขอเวลาเหมือนลุงปู่ขอเวลาลูกหลานครอบครัวฉันขอเวลาฉันเป็นพ่อที่ดีอะไรมานานแล้วทุกสิ่งทุกอย่างฉันให้หมดฉันไปแล้วนี่เดี๋ยวนี้เราก็มาอยู่อย่างนี้ และเราก็ได้ชีวิตใหม่ของเราชีวิตใหม่นี้มันเย็ยนความเย็ยนเป็นอย่างไรดูเอามันเย็ยนไม่ร้อนอยู่ที่ของนี่อยู่ที่ทำเซ็งเตียนหรืออยู่ที่นี่จ็ต ด, ดวงเดียวกันจิต ด, ดวงเดียวกันน่มันเป็นจิตที่เราฝึกแล้วสอนแล้วและทุกท่านทุกองค์ที่ท่านฝึกท่านก็จะรับรสชาติอันนี้นั่นคือนิพาน ชิมรองของโรกๆที่เราให้เห็นได้เรายังไม่ถึงนิพพานที่มันไม่ต้องมาเกิดอีกแต่มันต้องเป็นแน่นอนถ้าเราขยันขันแข็งต่อเนื่องนะอันนี้เป็นสิ่งที่ทางโลกชาวพุทธจะต้องเดินและเมื่อตายไปเมื่อตายไปก็ไม่ตกนรกเพราะเราทำหน้าที่ตัวนี้ ตำหนักที่เขาเราตามหน้าที่ที่เกิดมาเป็นมนุษย์ mm hmm. เขาไม่ให้มาเกิดมากินเหล้าเมายาเสเพรมีลูกมีเมียมีโบตุอะไรต่างๆอย่างนี้นะฮะเขาให้เกิดมาเพื่อชาระและพบศาสนาพุทธท่านสอนท่านบอกว่าอะไรมันทําให้เราเกิดเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเราทําลายมันได้ไหมแต่ท่านก็บอกตัวทําลายเนี่ย ดัะนั้นเราถือศาสนาพุทธเราถือไว้ที่ไหนที่หัวใจหรือที่สมองลองคิดดูดิหรือทั้งสองอย่างได้ธรรมะไปแล้วไว้ที่ไหนไปที่ใจหรือที่สมองยกมือจะเินสติเดินจะเรินสติเอาสติไปไว้ไหนนินดน้ยอยเฮไม่ชี ยเอาไปไว้ ไ, ไหนเธอเคยใครเคยชาร์จแบตเตอรี่ไหมตัวโทรศัพท์มือถือนะพอเสียบไฟแล้วปั๊บไฟไปไหนวิ่งไปไหนวิ่งไปแบตเตอรี่แป๊บเต็ม แ, แ, แ, แ, แ, แ, แล้วก็หยุดโทรศัพท์ก็เดินได้ เรายกมือขึ้นอย่างนี้่อได้สติเยสติมาอยู่ที่ใจเราเพราะใจเรามันขาดสติสติมันน้อยใจเรามันโง่เพื่อสติเข้าไปตัวโง่โอ้ยสติมันตัวฉลาดตัวตัวรู้มันก็ไล่หนีมันเป็นธรรมชาติที่ไล่กันเดงละว่ากันเดงนี่ขอให้มีสติสติที่แต่ก่อนจิตของเรามันโง่มันหลงเพราะขาดสติ เติมตอนนี้เขาไปมันจะไหลนี่เป็นลักษณะของธรรมชาติที่เห็นๆกันอยู่นะเหมือนกับแสงสว่างที่ในห้องเนี่ยเหมือนกันฉนั้นยกมือขึ้นแต่ละครั้งละครั้งเนี่ยมันก็ต้องไปชาติลงที่จิตใจของเราให้มีสติเมื่อใจมีสติมันก็เป็นใจที่มีตัวรู้เนี่ยทีนี้เขาหลอกให้มันหลงมันจะหลงได้ยังไงตัวโกรธแม่เว้ยไม่โกรธแล้ว ตัวโลกไม่มีที่สิ้นสุดอะไรต่ออะไรทำไม่ได้แล้วทาไม่ได้มองเห็นแล้วมองเห็นโทษของมันเห็นไหมมันฉลาดเนี่ยในที่สุดเราก็สามารถไล่จริงเหล่านี้หนีจากจิตจา ก, ากใจเรามันก็เป็นแนวทางอย่างนั้นทีอ่อธิบายให้ฟังนะนี่มันเป็นปัญญาของเราที่จะชำระกิเลสได้นะมันจะไปทำหน้าที่ อย่างนั้นเหมือนกับเรากินยาที่ เ, เป็นคนป่วยเอาใบมาต้มกินก็ไม่หายเอาเปลืมาต้มกินก็ไม่หายเอาอะไรเราเว้ยเขาบอกก็มึงไม่ไม่ไม่เอาเก่นนั้นมาเก่นอยู่ตรงไหนเนาะไทโคราชอยู่ตรงกลางอันีนดำๆเน่ยนะแข็งๆเนี่ยเอาเก่นมันมาต้ม อืมหายวันหายคืนเลยโอ้ย ก, กินเปลือกกินยอดมันมาตั้งนานมากินเก่นแล้วหายฉันใดก็ดีสติความรู้สึกตัวเนี่ยคือเก่นของธรรมะที่เราจะกินเข้าไปเพื่อทำลายโลกโลกอะไรโลกกิเลสโลกกิเลส กินเข้าไปทุกวันทุกวันเนะี่ยกินเข้าไปทุกวันทุกวันแลวก็อย่าให้มันหายได้ดยวกษิเรศมันจะเข้ามาอีกเหมือนแสงสว่างที่มืดนี่แหละนะตัวนี้มันเป็นธรรมชาติอย่างนี้อธิบายตามธรรมชาติอย่างนี้นะฟังเทศพระอาจารย์ก็เกิดปัญญาไปโอ้มันเป็นอย่างนั้นท่านยกตัวอย่างได้อย่างแนบเดียนเลยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยทนหาตัวอย่างที่เป็น บรคธิฐานหรือวัตถุธิฐานให้ให้เราเข้าใจถึงเรื่องนี่ท่านบอกเป็นพระที่อยอดคนหนึ่งในเรื่องหาหาจริงเรานี่มาอธิบายให้ทุกที่ฟังอาตมาก็เลยพิจารณาดูเราก็สามารถทําได้อย่างท่านเป็นบางเรื่องบางอย่างก็ยังดีกว่าไม่ได้เลยแล้วมันมันทําให้เร า, าเข้าใจได้ง่ายแล้วทุกที่ฟังก็เข้าใจได้อ่า เะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เนะนยเรามาถูกทางแล้วอย่าโยมอย่าลีและก็ไม่เสียการเสียงานไม่เสียพี่เสียน้องไม่เสียอะไรทั้งสิ้นขอให้เราได้เพิ่มพลังของความสตราร์หมอกกายถวายชีวิตเหมือนปู่มาบวชนี่แหละหมอกกายถวายชีวิต ไปวัดไหนไม่เคยที่จะอยู่แบบสบายๆขอถามเจ้าอาวาสว่าตรงไหนมีผีตรงไหนมันดูร้ายที่สุดนาโพนี่ชอบไปเพราะมันมีผีเยอะเอนี่ยไปอยู่อย่างนั้นอะ่ะมันได้ประโยชน์เยอะเลยไปน้องพักหลอดไปอยู่ที่มีน เป็นเดือนวันหนึ่งเราไม่รู้เรานั่งเรานอนเราเห็นผีเดินขบวนมาแถวเลี้ยงสี่ยาวเยียดเลยตรงมาอย่างเราเลยเอา้าวเขาจะไปไหนวะใครไปไหนวะมีผู้หญิง อ, ออกก่อนแถวผู้หญิงมาเดินมากงกับกฎของเราพอมาไกลๆมีคนคนหนึ่ง มายกมือเขาก็ลบไปทั้งโอ้โหยาวเยียดเลยเอยตอนเจ้าขึ้นมามาทบทวนความฝันของเราโอ้มันมีผีจริงๆเนี่ยมันจะมาเหยียบเรานะมันมาเพราะตอนนั้นแถวๆนั้นเขาก็มีกระดุกกระดูมมาฝังนะที่เผาแล้วนะที่เก็บกระดูแล้วนะมีคนคนที่มายกมือไม่ให้เขามา หาเราเนี่ยมันใครกันน้อหลวงพ่อพุทธทาสหรือเปล่าเนาะหรือหลวงพ่ออะไรล่ะโลกุดดอนหรือเปล่าเนี่ยต้องเป็นเทวดาแน่นอนเนี่ยเป็นเทวดาแน่นอนอ่าที่เล่าอีกอันหนึ่งอันนี้ก็เลยเล่าไว้ท่านละที่ทําแสงเทียนมีต้นไม้ใหญ่และดานพมคอยเห็นใครก็เห็นนี่ก็มีหลวงปู่ชอบไป อยู่กุฏิหลังนั้นแนหะที่มันจะล้มไปนั่นแหละตั้งแต่อยู่โน่นแนะ่ละตั้งแต่ยังไม่อยู่บ้านคองรี่ก็ไปอยู่ที่นั่นแหละแม้จะไปทําอะไรก็นอนที่นั่นแหละและมันก็เป็นต้นไม้ที่ใหญ่และเท่าโอ่ง น, น้ําเนี่แหละนะทนะูงด้วยและก็ล้มไปทางนั้นแหละวันนั้นอัตมาก็พาหลานชายไปบวชอา่าไปปฏิบัติธรรมเขาบวชใหม่ลูกอาจารย์ทิพย์ทำให้เขาปฏิบัติธรรมแล้ว เราก็ไปอยู่ที่เดิมของเราผลตกและลืมตุตวัน ย, ยกมือได้อารมณ์ดีดีทำไมมันอยากออกไปวะอยากไปหาหลานก็ทาไปอีกทำไปอี ก, อกเอาอีละโอ้ผลมันตกเขาเป็นอะไรเขายกในจุดตกลงเราก็เลยต้องไปเพราะมันมี อะไรบางอย่างมาให้เราไปหาหลานเราก็เลยเดินไปทีร่มเดินไปหาหลานคุยกันได้ไม่นานเสียงต้นไม้ใหญ่ตันนั้นลมตุ่มเฮ้ยตรงไหนเว้ยไม่ไม้ใหญ่อยู่ตรงไหนเว้ยโอไม่มีนะพอเราเดินมาจะกลับที่เดิมว้ายร้องกันบ้า ตัวใหญ่ล้มแล้วว้ายไม่ถูกกุตีด้วยเห็นไหมไม่ถูกกุตีเลยเดี๋ยวยึดศอกเดียวเดี๋ยวยึดศอกเดียวนี่ยมามามาพิจารณาไอ้ตรงว่าทําไมมาตะ ก, กุกรอให้เราหนีเนี่ยสองตีสามตีเนี่ยเราก็ฝนตกแล้วเราก็แด่ลงโอ้มันต้องมีอะไรรักษาเราแน่นอนเพราะฉะนั้นโยมไปไหนมาไหนโยมไม่ต้องกลัวหรอกพระที่ท่านจะไปกับอาจารย์ลงสินไปปฏิบัติธรรม ที่ไหนป่าไหนเราไม่ต้องกลัวมีเทวด า, าไปดูแลอันนี้หลวงปู่เห็นชัดๆเลยทั้งๆ ท, ที่ปู่ก็ไม่คิดว่าท่านจะมามาช่วยไล่หลวงปู่หนีซะก่อนสองทีเนี่ยสามทีเนี่ยเห็นไหมฝนมันตกปู่ก็เลยต้องไปเนี่ยในจุดก็มันกระลมถากนิดเดียวถ้าปู่ไม่หนีปู่ก็คงจะตกใจกระโดดออกประตูหน้าต่างอย่างเร็ว หัวโลนแตกแน่นอนเลือดไหลออกมาเลยเห็นไหมละ่ะโอ้หนี่มีเทวดามาช่วยแต่นี่ก็เป็นกำลังอันหนึ่งเป็นกำลังอันหนึ่งของอการปฏิบัติธนะรรมอเพราะฉะนั้นเขาจึงกล้าที่จะไปทุกถิ่นทุกอย่างอ่านประวัติของหลวงพ่อที่ท่านเดินจงกรมคนหนึ่งคนเดียวในป่าลึกเนี่ยมีแต่เทวดาช่วยเหลือทั้งนั้นเลยนะ ตงรงผู้ชอบเหล่านี้ท่านมีเทวดามาช่วยมากมายนะอันเนี้ยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราไม่ต้องกลัวนั้นไม่ต้องกลัวนีนะ้มีผู้สนับสนุนยินดีกับพวกเราคือเทวดาหรือเทพเจ้าทั้งหลายนั่นแหละต้องสนับสนุนอันนี้ตมมาก็เล่าประสบการณ์ให้ฟังนะประสบการณ์ให้ฟังอ่านะ เพื่อให้ญาติโยมได้มีกำลังใจและอยากจะเน้นในเรื่องที่ว่าโยมต้องมอบกายถวายชีวิตเพื่อการปฏิบัติธรรมอันนี้อย่าไปหวังประโยชน์อะไรมันมากมายนะักเขาจะไปของเขาเองเขาจะเจริญของเขาเองเหมือนเรากินข้าวเราไม่เคยไปบอกว่าให้แก้มฉันแดงๆหน่อยนะ คิ้วฉันไม่เคยดกเนี่ยไก่ขาเนี่ยเป็นต่อคิ้วให้หน่อยไม่เคยบอกเขาจะไปทำหน้าที่ของเขาเองเราก็เป็นหนุ่มเป็นสาวงดงามตามปกติและมีสัดส่วนที่ถูกต้องเห็นไหมเขาไปทําหน้าที่ของเขาเองนิ้วโป้นิ้วก้อยมันก็เท่าเดิมไม่เห็นนิ้วก้อยลักนิ้วก้อยไปทํานิ้วก้อยให้มันใหญ่ ชังนิปโป้นิปโป้ไปห้กินข้าวเข้าไม่เคยทำอย่างนั้นให้ยุติทำนี่ของกายของเราของใจเรานี่กินอะไรล่ะอา้ากอกว่ากกินสตินั้นเนีเ่ยอกินสติให้รู้สึกตัวไว้ไปไหนมาไหนสติเขาจะไปแต่งเองแต่งแน่นอนนะ เ, เพราะผู้ที่ปฏิบัติก็เป็นคนใหม่เป็นลูกสาวคนใหม่ เป็นผัวคนใหม่เป็นเมียคนใหม่เพราะแตกต่างจากเดิมเคยด่าเคยแคบเคยกโกรธเนี่ยหายหมดโอ้แม่มึงดีหลายไปปฏิบัติทรรเงียบจ้อยเลยเลยบปจุ้มให้กูละบบกูกระลุกลูกกระบอบกพ่อแม่นี่ดีละ่ะมาด่าผมที่เด้อเนี่ยพอให้แม่ไปอีกเด้ <c oughs> เอเห็นไหมกลพ่อจะไม่ให้แม่ไป เออเราจะให้ไปอีกเนี่ยให้บ้านของรีเปิดก่อนเห็นไหมเนี่ ย, ม, ยมันเปลี่ยนได้และคนคนนั้นเขาก็รู้ตัวเองว่าเขาหยุดความโกรธได้ได้เขาเห็นโทษของเขาที่เขาเคยโกรธให้ผัวให้ลูกและเป็นคนที่เอาวาจาจัดเนี่ยตอนนี้เขาเลยหยุดเขาบอกการปฏิบัติธรรมเนี่ยได้ผลผัวก็กินเหล้าเมายาในทุกมาปฏิบัติธรรมก็าหายเหมือนกัน หลวงพ่อเ ข, เขียนท่านก็นเล่าให้ฟังว่าท่านก็บพบญาติของท่านาธรรมทายาติของท่านเป็นอย่างนี้แหละหายดังนั้นการมันเปลี่ยนแปลงชีวิตเราเนี่ยขอให้ทุกคนได้มอบกายงานที่ใหญ่ที่สุดสําหรับชีวิตมันปลายเนี่ยมีเท่านี้แหละความตายก็ไม่กลัวเป็นอย่างไรก็ไม่กลัวมันจะป่วยจะเจ็บอย่างไรก็ไม่กลัวพร้อมที่จะ ประเชิญกับมันเพราะไม่ใช่เราเจ็บไม่ใช่เราป่วยเราตายเรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรมันจะเป็นอะไรเป็นเรื่องของมันเนียยาหลวงปู่มันแปดแปดปีเนี่ ย, ย ม, มันจะเป็นอะไรกับเชิญเลยเนี่ยปล่อยมันไปไม่ได้ทุกข์กับมันเนี่ยเราก็อยู่สบายๆมันก็เห็นเป็นอะไรกับมันกับเราเนี่ยมันจะตายวันไหนแล้วบอกมันเท่านั้นเจ็บขาขาแค่เรื่อง ตับเรื่องไตเรื่องอะไรต่างๆมันมีนกรรมเวรก็ว่าไปเลยอายุฉันก็มากแล้วเห็นหั้มมันก็เงียบมันก็เงียบของมันใจก็เงียบกายก็เงียบเราก็เลยอยู่เย็นๆสบายๆเนี่ยทุกริ้งทุกอย่างมันก็ประกอบกันต้องทำเอาเองไอ้จริงที่ไปขอร้องอันนั้นขอร้องอันนี้วุ่นวายไปหมด โยมมาไหว้พุธทธลูกที่ศาลาหลวงปู่ปู่ก็บอกว่านี่หลานหลานอย่าไปขอร้องอะไรท่านนะเพราะเขาเคยบหา้ไหว้แล้วขอร้องอันน้นขอร้องอันนี้ออ น, น, นี่อย่าไปขอร้องท่านท่านไม่มีอะไรให้หรอกเ ง, งินก็ไม่มีบ้านนี้ปูก่ก็ทำให้ท่านอยู่เห็นไหมเพราะเขาเคยเนี่ย อัตมาอยู่ใกล้กันหลวงพ่อพญ่าแล้วโอ้ยถ้หลวงพ่อพญ่าแล้วเป็นคนหลึุ่่นที่สุดเลยเลยมีแต่คนมาขอมีแต่คนมาชมเจอลูกหลานมันมีรถบีเรือขี่มาเป็นคู่เป็นคู่เปนคู่เต็มรถเต็มเรือเนี่ยวันนั้นเป็นวันอะไรก็ไม่รู้อาี่จอดก็ไม่มีเลยเห็นไหมถ้าท่านมีจริงๆเนี่ยท่านจะวุ่นวายแค่ไหนอัเนี้เพราะนิสัยของเราเนี่ย อันนี้แก้ไม่หายเพราะเรานับถือศาสนาผีศาสนาพราหมณาจนเข้ากระดูกดำของปู่ย่าตายายแต่ก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงไม่เคยเปลี่ยนแปลงพระสงฆ์องค์เจ้าอยู่วัดอยว่ายังมีการแต่งเคราะห์สะดอโศกให้ซ้ำไปอีหละดูดวงดูชะตาชีวิตซ้ำไปอี๋และโอ๊ย <c oughs> แต่ที่จะบอกอย่างเราไม่มีมีเลแต่จะ ซ้ําเติมเขาไปอีกเนี่ยเดินปีมึงไม่ดีมึงต้องมาทําำมานุนทํามานี้เ น, นี่ยไปพระอยูุติวัตรแท้สัจดาพุทธแท้ยังบอกไปอีกเห็นไหมอ่าไม่เหมือนวันคนดคลองรี่ใครมาในท่าไหนอ่าผิดผิดมาแล้วก็เอาละต้องบอกให้เขาเข้าใจจนเขาได้บอกได้ปัญญาจากเราต้องปูุกโยได้โดยว่าเอาความจริงเขาว่าท่าพิสูจน์ด้วย อย่างวันเดือนเลือกหงงามยามดีอะไรทุกอย่างเราเนี่ยที่เขาติดกันเนี่ย เ, เจอบ้านเจิมซอกอะไรพวกนี้แหละแต่การทินงานทานก็จะต้องมีชื่อมีอะไรสลักประตูหน้าตา่างต่างๆเ่าเนี่ยทํำผู้ที่เขาเข้าใจมดได้นที่สุดก็สบายเงินทองไม่ได้ไปไหนนะ้องปูจะสร้างสิ่งที่ต้องการสร้างให้มันสมบูรณ์อย่างที่เธอเห็นนี่แหละ ถ, ถ, ถ้าเขียนไว้แนละ้วมันเป็นของเธอ มันเป็นเสาเธอเพอเธอเขียนชื่อไว้เนี่ยเธอมากอาอ็ากอ่าอนเนี่ยใครมาก็อ่านเนี่ยมันกินได้ตรงไหนล่ะลองคิดดูดีๆเขาก็เลยไม่เขียนกันเขาก็เลยเงียบกันหมดก็เลยได้เป็นเรื่องของประเพณีการจำบุญของวัดของรีเนี่ย <c oughs> นั้นก็ในการประกาศชื่อก็เหมือนกันเนี่าชื่อคนนั้นปปชื่อคนนี้มันเป็นการหาเสียงเนี่ยเราเงียบดีกว่า เงียบได้มากกว่าอาเสียงนี้ไม่ดีเขาด่ายพร้อมไปเพราะไม่ได้ประกาศชื่ อ, ขอเขาเนี่ยมันเข็นตกหล่นไปนมันเป็นสิ่งที่ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจเรามีธรรมะเนี่ยญาติโยม่างหลายธรรมะอัตม า, าไปดำรงตำแหน่งในวัดที่มีชั้นปัญญาชนต้องใช้ธรรมะที่เป็นแก่ง เข้าไปพูดไปจาครับเขาอย่างฉลาดและเขาก็ต้องเชื่อเราเพราะเป็นเรื่องจริงแม้แต่ข้าราชการที่ประจัญราชการแล้วก็ยังมาหาเราแต่มาหาเรามาคุยกับเราแม้แต่เราจะเน็บแนมเขาเขาก็ไม่ว่าแะ่พากันมาหกทิพยังแกวชื่อเขา <c oughs> โอ้ยขนาด หกสิบยังเกี่วมาแล้วคนนั้นมาขึ้นหลังโคตแท้คนนั้นมาขึ้นเดินเซ่ไปบุญเซ่ไปพี่แท้เอาอีกแล้วภูดาอีกแล้วเห็นไหมหกสิบยังเก๋ยวชื่อเขานะแต่ขึ้นธนาทถจะไม่ไหวพีกายนี่เลยจื้อซื้ออับสาปปูให้สิบเหรนเออเอาละดีแล้วะดี๋นี้ปีนี้ก็จะมาอีกเนี yeah. ่ยเรา แล้วให้สติเขาได้แต่ว่าเขาไม่กลัวเราหรอกว่าเรารู้วิธีที่จะหย่อนรอเขาให้เขาได้เปลี่ยนแปลงใหม่อาจารย์พร้อมเป็นคนตั้งูมามาใดลูก ป, ปูวาทุกเดียวเวยที่เปลี่ยนซื้อหรอเป่าท่านเลยป้อมาหม่คงใส่มาบ่ไดแล้ ว, เ, ลออลวเห็นไหมอายุตั้งเก้าสิบกว่าปีแล้วนะเป็นหัวหน้าเขาดีเลยทุกทงทุกอย่างนี่ยญาติโยมทั้งหลายตอนที่แก่แล้วอายุมากแล้วเนี่ย ชีวิตของเราเนี่ยต้องทุ่มเทตัวนี้เนียที่เรามีวัดอาจารย์ท่านก็ทุ่มเทที่จะให้มีวัดที่สะดวกสบายนะเนี่ยและที่ไหนก็เหมือนกันลูกศิตยลูกหาไปวัดอัตมาตอนที่จะตายก่อนแค่สองคืนไปดูส า, ายใหญ่ที่อัตมาสร้างปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะเดินไปเดินมาโอ้ปั่นลูกงามเนาะ แต่ว่าเมื่อกูบเมื่อมันมันแบไปเนี่ยอะไรมาันแบมันโกดโพดอะไรบัดมาโดูของท่านที่อถ้ํานี้ก็เอาโกบเหมือนกันหละไม่แบเห็นไ้ยท่านไปตีว่ามันโกดไปแล้วท่านก็กลับกลับไปที่ไปดูหลวงพ่อกรมที่แก่งคอแล้วก็จะไปนอนที่ทําแสงเทียนแล้วก็จะตื่นขึ้นก็จะไปแพร อาตมาก็สะกดรอยตื่นจ้าขึ้นมาก็ดฉันยังนแล้วไปแต่แกล้งคอไปดูหลวงพกรมเห็นแต่รอยไปอ่ทําแสงเทียนก็บอกไปจะไปชี่หน่อยวะท่านไปแล้วโอ้ไปบ้านแต่เมื่อคืนเนี่ยไม่นอนหรอกเออสาธุเยกจับไปนอนคืนเดียวเนรพระบอนโอ้หมานเนกตายแล้วพอม ขู่เขาเลยเ <laughs> ธออะไรมาพูดเ <laughs> นี่ยเธออะไรมาพูดตายงไงเธอเป็นอะไรโอ้โหเรานึกไม่ถ้วาอาจารย์ว่าเราจะตายเราก็ใช้อารมณ์ตัวนี้นึกว่าเขาจะมาหลอกเราเนี่ยครับไ ม, ไม่เป็นใครไปครับตกบ่อตายเฮ้ยบอ่ออะไร <laughs> โอ้ยเนย เอ้ยผู้าใเนบอ่อท่ป้าจิตท่ามาให้ขา่าว้เขาเลยรอ่มาแล้วเออาไปหมอรถไปตรปหมอรถมาวันนั้นนะ <c oughs> มารถน้ำท่านบดีโอ้นะที่พิจารณาแล้วเราก็ไม่เสียใจไม่ต ก, ต ก, ต, กตกใจหรอกก็ถือเป็นธรรมดามาตรวจสอบดูจิตใจของตัวเองซึ่งเคยเคารพนับถือท่านอย่าง เรียกว่าสุดชีวิตเป็นอาจารย์ที่ให้ความรู้ความเข้าใจมาแต่ามาเห็นท่านเป็นอย่างนี้เราจะมอบหมายให้ท่านเผาเรากลับเราไปเผาท่านตัวเระปัดกั น, นแท้เราจะแปดสิบแปดปีแล้ว อ, อาจารย์กูยังอยู่กูตายไปมันจะต้องอาจารย์กูมาทําศพแน่นอนดูกติดดูดหาต้องมาเรามั่นใจกับอาจารย์ว่าจะมาจัดศบงานให้เรากลับเราไปม า, ม, ามาทําศพให้ท่าน แม่โลกนี้ไม่เที่ยงหนอ <c oughs> ไม่เที่ยงหนอเป็นของจริงนะเพราะฉะนั้นเราทำอะไรก็ตามคำว่าไม่เที่ยงนี้กับสังขารทุกอย่างเนี่ยให้เราว่าให้เราเข้าใจให้ใหจริงจังจะปากหนอแต่ใจไม่หนอเนี่ยไม่เอาต้อมันไปได้วยกันนะเราฉะนั้นวันนี้ก็ได้พูดธรรมะทั่วๆไปนะสาหรับ จะวางใจเมื่อตอนแก่แล้วจะไปยังไงมาอย่างไงถ้าทำได้อย่างนี้การงานของเราทุกอย่างก็ให้เอาธรรมะเข้าไปช่วยด้วยและจะทำให้เราไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยเนี่ยเนี่ยไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยเอาอาตมาเป็นหลักก็แล้วกันถ้าหากไม่ไม่มาปฏิบัติธรรมนี่ตายแล้ว ตายแล้วอ้วนตั้งแปดสิบหกกิโลเดินเถอะทะเทอะทะเนี่ยไปที่เขาคงคาแล้วก็มาอยู่นั้นเงินมาที่วัดอายุเอศสองวัน่้อยสี่สิบอยู่นั้นสามปีก็เลยเดินทางมาหาดินเละมาลดความอ้วนทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวตั้งแต่วันนั้นมา เราก็สามารถที่จะเดินจุมกลมหรือไปไหนมาไหนเนี่ยของช่วงเกาะช้างอย่างยันสักดานี่ยท่านก็ป่าอยู่เป็นอยู่ไกลที่สุดเป็นพระผู้ใหญ่แล้วเนี่ยอรอบรอ บ, รอ บ, บริเวณวัดของท่าน mm hmm. มีแต่รีสอร์ตต้นมะพร้าวเยอะหายหมดน อ, อันนี้กับความเจริญของเกาะช้างให้ก่อนมีแต่ป่ามียุง แล้วก็ไม่พากันไปจับเอาที่เลยไปเอาแต่ธรรมะนะเนี่ยก็ <c oughs> ได้เห็นไปสองทีสามทีสี่ทีทั้งไปกับที่เขาเจริญแล้วเนเจริญแล้วนี่ไปเอารถขี่เรือเขาไปเลยเนนไปขึ้นรถเราปินเขาขึ้นไป เ, นเป็นอินแด น, นที่เราเคยไปปฏิบัตินะเพราะฉะนั้นเรื่องอันนี้ต้องทุ่มเทชีวิต ตอนนี้ให้ถึงธรรมะให้ถึงธรรมะให้เป็นผู้มีสติอย่างน้อยสักหกสิบเปอร์ซหรือห้าสิบเอร์ซไปไหนมาไหนให้เป็นปัจจุบันธรรมอยู่เสมออดีตไม่บอยมันยาวมากมากเล้วเกินเรื่องของเราเรื่องของลูกเรื่องสูญเสียเรื่องดีใจที่ไม่ต้องเสียดายขายลายขายนาราคาทุกสูเขามาขายสิบล้าน เอ่เห็นไหมมีกระเฉยมันเรื่องของเขาเรื่องของเราเนี่ยลงปู่ขายสิบสิบห้าล้ออะสิบห้าละสิบห้าพันห้าเขามาขายสองแสนโอ้ยเมียด่าเลย <laughs> พราะเขาขายทําไมอ้าวเราซื้อเขานิดดอยเด่งไว้เขาบอกเขาให้เราตังเขาให้เราเราซื้อพันห้าเราขายห้าพันแต่เขามาขายสองแสนเนี่ย ก่อนหน้าตตาเรายังไม่กี่วันเพราะเขามีโครงการจะมาสร้างตลาดไอ้เราก็โง่ตลาดด้วยก็าโง่ด้วยก็เลยไม่ได้เงินแสนได้เงินพันเห็นไหมเหล่านี้มันเรื่องที่เราจะต้องเสียใจเพาหนับที่เราจะคิดมันก็เสียใจเรื่องเหล่านี้ผ่านไปผ่านไปทําจิตให้สะอาดกวาดกวาดถนนให้สะอาดกวาดบ้านให้สะอาด กวดยากเหยียอยากใหญ่ด้วยไม่กวาดป่านก็จะสะอาดจิตใจเอาอะไรไปกวด ม, มีไม่กวดไหมไม่ใช่เออเอาจะติกับไม่กวาดไม่ติกับความรู้สึกตัวเป็นไม่กวาดนี่ไม่ชี่ยุ่นนี่ท่านอยู่ในป่าคนเดียว ท่านเอาไม่กวาดกวาดความกลัวความยาิทั้งหลายออกหมดเนี่ยเก่งใส่แจ้วทุกวันเห็นไหมเนี่ยอาตมาอยู่นี่กับเหมือนกั น, นยโยมที่มาทำบุญํำทาเนี่ยมาหลายแงย่หลายมุมหลายเหลี่ยมถ้าทำใจไม่ถูกหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเสียทีเขาท่านต้องวางใจให้ถูกทุกอย่างเราก็เลยอยู่กับเขาได้ เขาก็เลยเข้าใจเราเราก็เลยเข้าใจเขาในที่สุดเราก็ได้ประโยชน์จากที่ปรึกกิดของเราให้รู้จักปล่อยวางให้มีความฉลาดเขาก็ได้ตร ะ, ะตนจากเราเนะมื่อเวลาเขามาปฏิบัติและเราก็ได้ทุกท่ีทุกอย่างที่เขามาทาบุญสร้างวัดสร้างวาสร้างศาลาอะไรต่างๆบอกเขาก็ง่ายขึ้นและให้ปัญญาแก่เขาเมื่อเขาทําพิดอย่างการเจิมรถอย่างการ เจอมบ้านอย่างการอ่าอะไรต่างๆที่จะดอกเคราะห์ูกแขนเอาอะไรพวกเนี้ยเราต้องพูดให้เขาฟังก่อนผูกทําไมอืมบูกทํำไ ม, ำไมเจิมทําไมเจิมอะไรเนี่ยไม่เจิมได้ไหมเอาอะไรมาเจิมมาแทนแล้วก็บอกเ ข, เขาก็ดีใจที่เขารู้ว่าเขาโง่เนี่ยเขาโง่หนทางที่รถมันวิ่งเขาก็เจิมสามห้าเหลี่ยมโอ้ยสามสามแยกหาแยกเขาก็เจิม เนี่ยเห็นไหมเติมที่เติมให้หมดแหละเราจะเติมแต่มันมาเติมตัวเราเองเติมสติเท่านั้นแหละเขาก็ยึดเลยอู้ใช่ต้องต้องปู่ใจใจใจเนี่ยตัวไหมเนี่ยรุ่นที่เขาเจิมมาแต่โรงงานแล้วอธิบายกันอยู่พักหนึ่งไอ้นุ่มๆดังนั้ น, นมันพาขนหัวเลาะเธอจบปริญญาตรีรเป็นปริญญาตรปริญญาโทรครับเธอยังมาโง่กับไอ้ไอ้แป้งอันนี้เลยเนี่ยแป้งอันนี้มันมาจาก หอไหนเนี่ยต้องถือมาเนี่ยมันใส่น้ำไว้เนี่ยแล้วมาแปะกับไอ้ลดราคาเป็นล้านของเธอเนี่ยอุยอ้ยเสียเกียรติเท่านั้นแหละเขาก็เข้าใจเขาพากันหัวเราะแล้ววันหลังอีกต่อมาเดือนหนึ่งพาเพื่อนใหม่ล่ะมันก็มาด้วยว่าจงปูจะเจอไหมหรือเปล่าก็ทําเหมือนเดิมมันก็พากันหัวเราะกลับบ้านเนี่ยเราก็ใช่อย่างนี้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเขาเกลียดไม่ต้องกลัวเขาชัง เราให้ความดีแก่เขาเราก็อยู่กับเขาได้ความราบรื่นเพราะฉะนั้นเรื่องมีธรรมะเนี่ยมันทำให้เรากล้าหารทุกอย่างข้าราชการอ่ายปกครองเอาไปเทศเขามีแต่คนแก่ๆ แ, แล้วก็รู้ธรมมรมะกันนีนมลหลวงปู่ประเทศแต่เทศเรื่องอะไรหลวงปู่ก็เลยบอกไม่ต้องเทศ คุยกันดีกว่ามาคุยเรื่องธรรมะดีกว่าว่าใครยังไม่รู้อะไรเป็นยังไงหลวงปู่จะเป็นแนวหน้าให้เอ อ, อ น, นีสนุกดีรู้บุญรู้บาปอะไรต่ออะไรตติปัญญาในใจุดก็เลยสนุกดีคุยกันแบบธรรมชากาัจฉาเออเราก็าออกไปในทางที่ดีเห็นได้เขามีแต่คนาทาการทำงานมีอายุแก่กันมากแล้ว ก็นะคงจะตอนเรื่องถิ่นนั่งทํากันมาเยอะก็เลยมาคุยกันนะเรื่องการปฏิบัติธรรมท่านเอาตัวไหนเข้ามาอะไ ร, อ, ะไรอย่างไรก็รู้สึกว่าเป็นอาการสนทนาธรรมที่ได้ประโยชน์นี่ดูแล้วแต่ความฉลาดของเรานะเราจะไปเอาแต่นโมนโมทิน้าทีิน่าอยู่ตลอดเวลาเนะี่ยมันเกิดเรียงว่าแล้วนทะ่านั้นเราก็ต้องใช้ความฉลาดฉ่านนั้นเรามีธรรมะเราไม่ต้องกลัวมันจะพาเราไปได้ ผล ท, ทุกแหง่งดฉะนั้นวันนี้เมจะตายเมจะโยเราก็ได้รับผลจากการปฏิบัติของเรานะปฏิบัติของเราและเมื่อเรามีความสุดกายของมันก็ทำงานตามหน้าที่ทุกส่วนไม่ว่ากระเพาะอาหารไม่ว่าหัวใจไม่ว่าหลอดเลือดหรือประสาททุกอย่างมันจะทำหน้าที่ของมันอย่างปกติไม่มีอะไรรบกวน ร่างกายของเราก็อยู่ได้แขคขามันปวดแล้วก็ใจของเรามีสติดูแลพูดอีกจักนิดหนึ่งลืมไปว่ากายของเราเนี่ยต้องรักษาด้วยกายบำบัดอย่าไปกินยามันกำลังชุดโจมมันต้องเจ็บตรงนั้นตรงนี้นต้องอย่าไปพักเอาไว้มันจะผุต้องออกกำลังกายอาจารย์มหาดิเลกท่านเก่งมาก แต่ก่อนท่านไม่รู้หรอกมาถามอาตมาอัตมาก็มีวิชาความรู้อันนี้ให้เราทำท่านได้นมาจากหมอเขียวนะลุงปู่ก็คิดเอาเองนะออกเป็นตำรับตำลาอยู่ในตัวเจ้าของนี่แหละมีอะไรก็ทำเอาเองนะปวดขาปวดแข้งมันหนักมันอะไรต่างๆเม่แต่สมองลืมปู่ก็เอาคืนได้กินญาอย่างลุงบอ่อสมองลืมะวิตามินอย่างบอ่อ กายบำบัดบำบัดแบบไหนเจาาา <c oughs> นน้าทองม้าหักคอยแต่เนี่ยใจกายบำบัดมันลืมนะฉะนั้นจริ่งเหล่านี้แหละของดีๆอยู่ในตัวเราทั้งหมดกายก็ดีใจก็ดีขอให้ดูจากธรรมชาติของเขาและเขาก็จะช่วยให้เราได้อยู่ดีกินดีและไปดีอ่าสุด ท, ท้ายนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุกับญาติโยมที่ตั้งใจฟังมีความรู้อะไรที่จะเป็นแก่นเป็นสารก็ จเจริญพรนะเอาไปพิจารณาก่ อ, อนุมโมทนาสาธุ